เวลากลับจะได้ไม่หลงทางเร็วเป็นไม้ลมลุกมีเงาคล้ายต้นขา่าผลใช้ทำยาพ่อมักจะพาท่านไปตีพึ่งอยู่บ่อยๆโดยตอกถอยฝังเป็นขั้นๆไว้ในเงือไม้จากนั้นก็ปีนขึ้นไปเอารังพึ่งบางครั้งก็เอาน้องของท่านไปด้วย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 มักจะกลัวเสือจึง ต, ต้องได้เหลียวดูอยู่ตลอดถ้าไปเอาเพึ่งพุ่มพึ่งโร่งเมื่อไปถึงทางแยกพ่อจะบอกว่าทางเส้นนี้ไปหนองปากด่านนะออกบ้านคำกลิ้งนะไปทางนี้ไปเข้าดงใหญ่ดงหลวงไปได้เตลิดเลยนะถ้าไปทางที่เรามานี้จะคืนกลับบ้านเรานะ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 ในสมัยก่อนยังไม่มีธนาคารเวลามีเงินมีทองเขามักจะเอาไปฝังดินไว้พ่อของท่านบางทีเวลาไปดงไปป่าพ่อจะเอาเงินไปด้วยทีละช่างแม้เข้าป่าล่าสัตว์ก็เอาติดตัวไปด้วยเวลาลงอาบน้ำในหนอง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 ขอแต่ให้ลูกได้อยู่ได้กินมีความสุขก็พอแปรหัวใจเมื่อยิงหนี แล้วการตีพึ่งจะทํากันในตอนกลางคืนเดือนมืดแต่ตอนท่านเป็นหนม่มเป็นคนไม่กลัวอะไรง่ายๆจึงอยากจะทดลองตีพึ่งในตอนกลางวันดูบ้างครั้งนั้นผลปรากฏว่าพึ่งจำนวนมากเลยบินตามไล่ต่อยตลอดทางถึงขนาดที่ว่าต้องได้ถอดเสื้อถอดผ้าออกหมด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 แสดงความเสียใจปลากฏออกมาจนพ่อสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนยิ่งลูกตั้งคำถามกับพ่อดังกล่าวด้วยแล้วความที่พ่อเกรงว่าลูกจะสลดหดหูเศร้าซ้อยเกินไปจึงได้กล่าวปลอบขวัญพอเป็นกำลังใจแก่ลูกแทนการให้คำตอบที่แท้จริง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 ให้ระลึกเรื่องอื่นมากรบมันเอาไว้เราไม่ลืมนะนี่ข้อหนึ่งข้อที่สองมีเพื่อนฝูงเขาพูดเราก็พากันไปหากินตามเรื่องตามราวนั่นหละเขามาพูดว่าวันพระนี้ทำบาปเป็นบาปมากนะวันพระนี้ไปฆ่าอะไรทำบาปอะไรเป็นบาปมากนะ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 ทุกตัวไปไม่ให้ขาดความใกล้ชิดติดพันของพ่อและแม่ต่อพระศาสนาเช่นนี้เองมีส่วนปลูกฝังความคิดที่ถูกต้องกอบด้วยเมตตาธรรมแก่ท่านอยู่ไม่น้อยให้มีความละอายและเกรงกลัวต่อบาปเป็นพื้นฐานประทับไว้ภายในจิตใจตลอดมา กระทั่งก้าวเข้าสู่เพศบัพชิตเลือกคบเพื่อน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 ไม่เคยจะเล่าให้ฟังไอ้นั่นไปกินข้าวบ้านกูกูเฉยเหมือนไม่ได้กินเขามากินข้าวบ้านเราก็เหมือนกันเราไปกินข้าวบ้านเขาก็เหมือนกันเรานี้จะว่าความฉลาดแต่ก่อนก็ไม่ปรากฏนะแต่เรื่องความสัตย์ความจริงนี้เด่นเป็นมาแต่ครั้งเป็นครวาต์คือเจ้าของรู้ตัวเองว่ามีความสัตย์ความจริง แต่ไม่ได้สนใจด้วยมันหากเป็นอยู่ในจิตถ้าใครเลาะแหละไม่อยากคบถ้าพูดเชื่อถือไม่ได้ก็ไม่คบเวลาว่าอยู่อยู่เวลาว่าไปไปนิสัยเราว่าทำทาไอ้ที่ว่าอย่างนี้แล้วไปเป็นอย่างนั้นเราไม่คบ ทนที่สองพวกฉกพวกลักขโมยนี้ไม่ครบพวกหนุ่มด้วยกันที่ชอบฉกลักขโมยนี้ก็หลีกไม่ครบอันนี้เป็นนิสัยอันหนึง่งไม่ชอบคบคนหลาะแหละเรายังไม่ลืมนะพ่อของผู้ใหญ่ถึงเขาก็ขยันเก่งเขามาชวนเราไปหาล่าสัตว์ในป่าหาตะกวดหาอะไร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 ชวนมันไปหาล่าตะกวดมันบอกว่ามันทำงานให้พ่อมันอยู่มันยังไปไม่ได้เป็นยังไงมันทำงานอะไรทำจริงไหมมันทำแล้วทำเสร็จเรียบร้อยแล้วโอ้ยไอหนี้ถ้ามันได้ลั่นคำแล้วเป็นแน่ทีเดียวไม่สงสัยละนอกจากมันเฉยละอย่าไปใช้มัน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 มันเป็นอยู่ในจิตนะเราก็ไม่รู้ว่ามันมีธรรมนะจนไปนเรียนหนังสือถึงรู้ความสัตว์นี่เรามีมาตั้งแต่เดิมมันหากเป็นอยู่ในหัวใจเราเองผู้ใหญ่ให้การยอมรับ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 จึงไม่เสียไม้ไปโดยเปล่าประโยชน์อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องไปตีพึ่งไม่ใช่เรื่องเล่นเล่นเพราะเมื่อก่อนเขาเอาเป็นอาชีพเลยขายได้ราคาดีมากจะมีผู้มารับเอากับบ้านเลยทีเดียวด้วยความสามารถเช่นนี้เอง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 ท่านยังเคยได้ฝึกหัดชกหมวยเล่นกันระหว่างเพื่อนๆแต่ไม่นานก็เลิกราไปเพราะคำขอร้องของแม่ว่าลูกเอ๋ยอย่าไปหาชกมันเลยแม่เป็นห่วงมันเสียตับเสียปอด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 จังเช่นนี้ทำให้บางครั้งบรรดาน้องๆที่ร่วม ง, งานกับท่านถึงกระต้องนำเรื่องนี้มาฟ้องแม่ตามภาษาท้องถิ่นสมัยนั้นว่าโอ้ยอีแม่เอ้ยคันหมู่เจ้าบอไปทำงานนําบักนี่มันเฮ็ดอีหยังบ่หูจักขึ้นจักหยุดหมูค่อยเลยสิตายมันบ่ได้พาขึ้นเดก พาเกี่ยวข้าวก็ดีพาดำนากระดีมันบัวพาขึ้นคันหมู่จเจ้าบัวไปนำมันสีเอาให้ตายอีหลีหมายถึงว่าถ้าพ่อแม่ไม่ไปทำงานด้วยแล้วท่านจะทำงานไม่ยอมเลิกราสักทีเหมือนว่าจะเอาให้น้องๆตายไปข้างหนึ่งเลยอย่างไรอย่างนั้นทีเดียวแม่ แทนที่จะเห็นคล้อยไปกับน้องๆด้วยกลับพูดตัดบทรูปทันทีจังสั้นหลับสูบบ่อเป็นตาแสแตกหมายถึงก็อย่างนั้นละสิพวกเรามันไม่เอาไหนเสียเองคือน้องๆของท่านทำงานเหนื่อยแล้วก็อยากจะเลิกอยากจะกลับบ้านส่วนท่านส่วนท่านเองก็ไม่พาเลิกงานสักที ท่านเคยกล่าวถึงอุปนิสัยดังกล่าวของท่านเองไว้เช่นกันดังนี้นิสัยมันก็ไม่เคยเละแหละมาตั้งแต่เป็นฆราวาสอยู่แล้วหากเป็นไปตามฆราวาสนั่นแหละตามธรรมดาฆราวาสก็ไม่มีกฎข้อบังคับอะไรอะไรแต่นิสัยมันก็มีของมันอยู่ว่างั้นเถอะนะ ถึงจะเป็นแบบคราวาทั่วๆไปก็าตามแต่ความจริงจังมันมีมันฝังลึกอยู่อย่างเช่นว่าจะทําอะไรอย่างนี้ถ้าลงว่าจะทํายิ่งกับพ่อกับแม่หากได้ลั่นคําว่าจะทําให้แล้วไม่เป็นอื่นแหละอันนี้เป็นนิสัยเราถ้าเราเป็นหัวหน้าเราก็เป็นอย่างนั้นนะทุกอย่าง เรื่องของเราต้องให้พ่อแม่ไว้วางใจได้เลยถ้าเราได้ทําอะไรแล้วถ้าเวลาไปทํางานกับพ่อกับแม่ก็เป็นอีกแบบหนึ่งนะพาทําอะไรก็ทําพาลุกขึ้นเราก็ขึ้นธรรมดาธรรมดาถ้าพ่อแม่ไม่ไปร่วมทํางานด้วยน้องๆมันจะตาย กล่าวถึงพี่น้องในครอบครัวของท่านอยู่บ้างว่าน้องๆก็ดีทุกคนนะเท่าที่ดูว่แววของพวกน้องๆที่อยู่ในครั้งโน้นพี่ชายคนใหญ่เน้นหนักไปทางค้าขายจะเป็นไปทางคุณตาพี่ชายเริ่มค้ามาตั้งแต่เป็นนมแม่เลยมอบเงินให้ไปหาซื้อวัวซื้อควายคือนิสัยชอบทางสังเกตสัตว์ สัตว์ตัวไหนมีลักษณะอย่างไรดูไม่ค่อยผิดนะพวกใครในบ้านจะซื้อวัวซื้อควายต้องให้ไปช่วยหาดูให้ไปช่วยดูให้หน่อยแกดูเฉยๆนะไม่ต้องทดลองใช้งานใช้การอะไรหรอกถ้าแกว่าควายตัวนี้ชนคนนะก็ถูกจับได้ตรงไหนก็ไม่รู้นะ หวายตัวนี้ดือ้อใช้ไม่ได้นะมันก็เป็นจริงๆถ้าว่าดียังไงก็ถูกอย่างนั้นนะมันแปลกอยู่นะดูยังไงไม่ทราบเป็นแยบคายอันหนึ่งพวกคนหนุ่มด้วยกันในหมู่บ้านก็ไม่มีใครดูเป็นมีแต่ให้พี่คนนี้ไปหาซื้อพ่อแม่ให้เงินไปซื้อจากนั้นมา ติดต่อมาเรื่อยเป็นนักซื้อนักขายทางวัวทางควายเวลามีครอบครัวย่าเรือนอยู่น้นแล้วแม่ยังใช้ให้ไปซื้อควายให้มาเป็นหลักแหล่งของขอคอกเป็นหัวหน้าฝูงก็เป็นจริงๆนิสัยชอบเหมือนตา ตาก็ไปหาซื้อวัวซื้อควายมาขายไม่ได้ขาดแม่เลยปล่อยให้ซื้อขายมาเรื่อยจนกระทั่งตายกับน้องๆ น, นี้รักมากเพราะเขาใจดีกับน้องแต่เรานี้ไม่ค่อยมีใครมาใกล้นอกจากไม่ติดแล้วยังกลัวด้วยพวกน้องๆไม่ค่อยชอบละเพราะเราเป็นคนดุ แต่ดุเพราะความจริงจังนิสัยนี้มันมีนะไม่เหมือนพี่ชายเป็นอีกแบบหนึ่งอยากทำก็ทำอยากไปเมื่อไหรก็ไปเฉยไม่ได้สนใจกับใครใหอเรานี้โหไม่เสร็จเป็นไม่ยอมพี่ชายก็เป็นแบบหนึ่งทีนี้น้องก็รักละสิเพราะไม่ดุเวลาไปไหนนี้ พวกน้องๆ น, นี้รุมเลยทั้งหญิงทั้งชายกับเรานี้โอ้โหคนเดียวไม่มีไปเกี่ยวเขาเบื่อจะตายเขาชังเราจะตายแต่ไม่กล้าพูดเฉยเราก็ไม่ชอบด้วยเวลาใครไปยุ่งด้วยเวลาไปไหน